นี่หมนเราจะสนใจแสดงธรรมด้วยครับการสนใจมีมีหนาประกา ว, ว่าปรักษาสุกโตะตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงคนเริ่มรู้จักเยอะแล้วในเ c e บ o o ก ชาปราตนไตรขอากราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนขอากราบธรรมจั ก, กรหลวงพ่อกลมพระ อ, อาจารย์ทุกครูพันเตและเพื่อนสาธรรนิกและขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2555ตรงกับวันแรมสามค่ําเดือนสิบเอ็ดปีมะโรง เ, เมื่อดูเวลาก็ผ่านมาหลังจากออกพรรษาแล้วสามวันยังชอบใจคําเทศของ พระจานทร์ไพศาลที่บอกว่าออกพรรษาแต่อย่าออกจากธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสมมุติที่เรากาหนดกันขึ้นมานหลายคนก็ จ, จะรู้สึกว่าเออได้ออกพรรษาก็เหมือนได้ออกจากสถานที่หรือบางคน อาจจะมีความทุกขนะ์มีความบึดอัดนะที่มาอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะได้ออกไปก็รู้สึกเป็นอิสระนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเหมือนกันนะเรื่องการเวลาเนี่ยนะบางทีก็ทำให้เราหลงได้ไง่ายๆเหมือนกันเช่นเรายังหลงว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายัง ยังเด็กอยู่เรายังมีชีวิตอยู่นะก็บางทีเราก็ไม่ได้ตระหนักนะว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดนะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นสิ่งที่ควรจะทําภารกิจนะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนะี่ยเราได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดนะมีประโยชน์ที่สุดแล้วหรือยังนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ น่าพิจารณาเหมือนกันเออในช่วงขา้าบัรษาที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยนะก็มีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังามากมายาเป็นความรู้เป็นธรรมะหลากหลายาซึ่งหลายท่า น, นาหลายคนก็อาจจะจับประเด็นหรือเก็บความรู้ นะเอาไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติได้นะแต่บางคนบางท่านอาจจะนะเกิดความสับสนหรืออาจจะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนะไปปฏิบัตนะิเพราะว่ามีหลากหลายเหลือเกินนะสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนครั้งหนึง่งนะที่พระเจ้าองค์ ได้เดินไปที่สถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกับหมู่ภิกษุทั้งหลายแล้วก็ไป <c oughs> หยิบใบไม้ขึ้นมากํามือหนึ่งแล้วก็ถามภิกษุว่าใบไม้ในมือกับใบไม้ในป่านะอันไหนมีมากกว่ากันนะภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าใบไม้ในกํามือของพระองค์ พระ อ, องค์ก็เลยตัดว่านั่นแหละความรู้หรือธรรมะที่ท่านรู้นั้นมีมากมายหลากหลายสิ่งที่พระ อ, องค์นํามาสอนนั้นก็มีเพียงแค่กํามือเดียวก็คือเรื่องของทุกข์กับความดับทุกเพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟัง ต, ตลอดพรรษานี้หรือแม้แต่ที่ได้เรียนรู้ได้อ่านหนังสือมา นะมันก็จะมาจะสรุปนะลงตรงนี้เท่านั้นเองนะก็คือเรื่องของทุกนะ ก, การดับทุกเมื่อพูดถึงทุกนะตรงนี้เนี่ยเราอ่านหนังสือเราก็รูนะ้เราได้ยินได้ฟังเราก็รู้แต่ทำไมนะนะเรายังไม่ตระหนักจริงๆนะเรายังไม่รู้สึกก็ไปจริงๆนะอันนี้ก็เพราะว่าเรารู้แบบจำ นะก็ เ, เรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ได้สำนึกนะได้ตระหนักในขณะที่เราได้ยินได้ฟังหรือเราจดจำได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ลึกลงไปในใจเรายังไม่ได้ตระหนักเรายังไม่หาทางวิธีที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นะทีนี้การที่เราจะตระหนักหรือว่าลงลึก นะครับ เ, เป็นในใจจริงๆแล้วขวนขวายนะที่จะเรียนรู้มันจริงๆแล้วก็หาทางนะที่จะเข้าใจนะเข้าใจทุก์แล้วก็เห็นความดับทุกขได้จริงๆนั้นน่าจะต้องอาศัยการปฏิบัตินะหรือการฝึกลงไปนะซึ่งเราจะใช้เพียงแค่การได้ยินได้ฟังการคิดคํานึงคํานวณ ไม่พอนะตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยเราได้ยินกันอยู่เรื่อยๆใครก็พูดหนังสือก็บอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตระหนักนเราก็ยังไม่หาทางเราก็ยังเพลิดเพลินยังใช้ชีวิตตามที่เคยเป็ น, นก็คือสุขสุทุก ๆ, ๆุกยังต้องอาศัยวัตถุภายนอกบุคคลภายนอกสภาพแวดล้อม มาเอือ้อหรือว่าทําให้เราเพลิดเพลินเพลิดเพลินหรือว่ากลบเกลือนอความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ไปถึงจุดหรือไปเห็นต้นเหตุของมันว่ามันเกิดเพราะอะไรเราจะแก้ไขยอย่างไรสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ของเราก็ดีการ ที่เราได้ยินได้ฟังก็ดีนะ่าเป็นเพียงความรู้เบื้องต้นขั้นต้นนะที่เราจะต้องเดินทางต่อไปนะเราจะไม่ยินดีหรือไม่พอใจเพียงแค่ความรูนะ้ที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นแต่เราจะต้องฝึกลงไปเรียนรู้ลงไปการเรียนรู้เรื่องทุกข์เนี่ยก็ไม่ยากเย็นอะไรนะก็มาเรียนรู้ที่กายที่ใจของเรานั่นเอง เพราะว่าแหล่งกำเนิดหรจุดที่เกิดเนี่ยมันก็เกิดตรงนี้นะเกิดที่กายเกิดที่ใจของเราในส่วนของกายเนี่ยเราเห็นได้ง่ายนะในส่วนของใจคือความคิดเนี่ยเห็นได้ยากเพราะฉะนั้นพระโต้งก็ดีนะครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังๆก็ดีนะก็ได้นำเสนอนะวิธีการนะที่เราจะเรียนรูนะ้โดยใช้เครื่องมือ นาที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะนาหรือบางทีนาเราพูดกันภาษาง่ายๆคือความรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวเนี่ยนาเป็นเครื่องมือสําคัญนาที่จะให้เราเรียนรู้นาความทุก์นาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาสิ่งที่เราเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐา4น4ี่นันะ้นเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่จะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ความทุกข์และก็หนทางที่จะดับทุกข์นะที่มีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งก็มีอยู่หลายวิธีนะโดยเฉพาะในส่วนที่เราได้เรียนรู้ในในประเทศไทยก็ดีหรือในประเทศต่างๆก็ดีมีมากมายนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นนะตรงที่ ทำให้จิตสงบนะการนั่งหลับตาการบริกรรมนะนี้ก็เป็นวิธีที่แพร่หลายนะแต่ว่าในส่วนของออวิธีการนะที่วัดป่าสุกโตเนะี่ยได้เอาวิธีการที่หลวงพ่อเทียนนะได้นำเสนอไว้เมื่อห้าสิปีที่แล้วนะท่านได้ค้นพบนะแล้วก็ได้นาเสนอนะโดยไม่ต้องนั่งหลับตาตื่มตานะไม่ต้องนั่งนิ่ง นะให้มีการเคลื่อนไหวนะซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะที่เหมาะกับทุกปัจจุบันนะที่ทุกคนนะโดยส่วนใหญ่จะต้องเคลื่อนไหวนะจะต้องทำกิ จ, จกรรมต่างๆการทำในรูปแบบนั้นมีส่วนสำคัญนะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่นะหรือแม้แต่คนเก่าก็ตามนะที่ยังไม่ชัดเจน นะที่ยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยก็ยังจาเป็นนะซึ่งการที่เราได้มากระทำในรูปแบบนะการเคลื่อนไหว14จังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดีนะตรงนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นนะ ส, สำาหรับการที่เราจะเอ่อทำเครื่องมือนะหรือว่ามาเรียนรู้เครื่องมืออันนี้นะก็คือความรู้สึกตัวเพราะโดยปกติแล้ว ชีวิตของคนในโลกหรือในสังคมส่วนใหญ่นะเราก็จะให้ความสำคัญนะหรือให้ความสนใจกับสิ่งภายนอกนะมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะซึ่งสิ่งเหล่านี้นนะก็ทำให้เราเผลอทาให้เราเพลินะไปกับสิ่งภายนอกนะที่มากระทบนะทางตาทางหูทางจมูกนะทางลิ้นทางกายแล้วก็กระทบเข้าไปในใจ นะถ้าเราไม่มีสติหรือเราไม่ได้ทำความรู้สึกตัวชัดเนี่ยแต่บางทีเราก็หลงเพลิดเพลินนะไปกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งเร้ามากนะแล้วก็รุนแรงทีเดียวนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้นะเรื่องของการเจริญสตนะิการมาทำความรู้สึกตัวนะด้วยการเคลื่อนไหวในรูปแบบนะจะเป็นสิบสีจังหวะ ก, ก็ดี การเดินชมกลมก็ดีหรือแม้แต่ในเอิรียบท่างๆที่เราทำความรู้สึกตัวตรงนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราไปเรียนรู้ความทุกข์และความดับทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธองค์ได้กล่าวเอาไว้การเรียนรู้ด้วยความรู้สึกตัวเ น, นเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอาศัยนะการเคลื่อนไหวของกายนะเป็นเบื้องต้นนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทําได้ชัดเป็นสิ่งที่เราเจนได้ง่ายนะเมื่อเราทําความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวที่กายที่กายได้ชัดๆนะความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วนะมันจะตื่นขึ้นนะจากเดิมที่เป็นความรู้สึกตัวตามสัญชตาตญาณมันก็จะเป็นความรู้สึกตัวที่ เป็นสติปัฏฐานนะก็คือจะเห็นกายที่เคลื่อนไหวนะกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็จะไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายนะอย่างเช่นความรู้สึกหนาวเย็นร้อนนะความหิวกระหายนะความปวดความเมื่อยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะปรากฏที่จะแสดงสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ นะหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งการเข้าใจธรรมะการเห็นธรรมะจริงๆเนี่ยก็คือการเห็นสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นการเห็นสิ่งพิเศษนะที่จินตนาการหรือว่าเป็นภาพฝันต่างๆนะนี้เป็นจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้้าเรารู้กายนะแม้แตลนะ่ลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยนะเราก็จะจะ จะเห็นได้ชัดนะจะมีความรู้สึกตัวนะแล้วก็การเคลื่อนไหวนะแม้แต่กระพริบตาคืนน้ําลายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราก็จะรู้สึกชัดขึ้นนะความรู้สึกตัวมันจะมองเห็นชัดขึ้นนะนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะกับผู้ที่ฝึกเจริญสติการกระทําอย่างนี้เนี่ยนะก็เหมือนเป็นการเรียกเอาความรู้สึกตัวนะที่มันเคยไปสนใจ นะกับสิ่งภายนอกกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะจะทําให้เรามีาที่พักนะหรือมีหลักนะที่จะเป็นตัวของตัวเราเองเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อเรารู้กายได้บ่อยๆนะชัดขึ้นนะมันก็จะเข้าไปรู้นะสิ่งที่เป็นนามธรรมานะหรือบางทีเราเรียกว่านามเนะช่นความรู้สึก เอ่อความเงียงเหงาตอนนอนนะความฟุ้งซ่านนะความหดหู่หรือแม้แต่ความวิ้งเลงบันเทิงใจนะความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะอยู่ภายในตัวเราแต่ตอนเราไม่เคยได้สนใจนะเพราะว่าเราไปสนใจสิ่งภายนอกถ้าเรามาดูตรงนี้นะเราก็จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ การรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ลืล่นหลหรือไม่ตกจมอยู่ไปในอารมณ์ที่เราชอบนะหรือไม่ผลักไสอารมณ์ที่เราไม่ชอบนะหรือสิ่งที่เราไม่ชอบนะหรือที่เราเรียกกันว่าสุขหรือทุกข์นั่นเองสุขเราก็อยากจะให้อยู่นานๆแต่ทุกข์เราก็ไม่อยากให้อยู่นานๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในอำนาจที่เราจะสั่งหรือในบังคับบัญชาได้ เขามาของเขาแล้วเขาก็ไปของเขาเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้ดูเห็นนะแล้วก็ผ่านเลยไปนะไม่ต้องไปกับไปเก็บเอาไว้หรือไม่ต้องไป อ, อยากให้มันอยู่กับเรานะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของเขาหลังจากที่เราทำความรู้สึกตัวจเจริญสติให้มากๆ นะตรงนี้ก็จะเกิดผลขึ้นเมื่อเราเห็นนะความรู้สึกเหล่านีนะ้ก็จะเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกนะก็คือความคิดนะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นนะเป็นเป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเขาเพราะจิตมีหน้าที่คิดนะเขาก็จะคิดไปในเรื่องต่างๆนะทั้งคิดดีคิดไม่ดี คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะแต่ที่เราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะความรู้สึกตัวของเรายัางไม่ชัดยังไม่ตื่นนะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เหล่านี้เราเลยไม่รู้เพราะฉะนั้นความคิดก็ลากเราไปนะเกิดเป็นภพชาติต่างๆนะอย่างเช่นเราสุขเราก็รู้สึกเออเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ นะเมื่อเราทุกข์เราก็เหมือนได้ตกนรกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากความคิดนะหรือบางคนคิดมากมากก็เครียดบ้างนะเกิดความสับสนบ้างนะหนักหนักอกหนักใจบ้างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะที่ก่อให้เกิดการกระทาต่างๆนะที่เรากระทากันอยู่ส่วนใหญ่ก็เกิดจากความคิดนี้เอง ถ้าเราไม่รู้เท่าทันความคิดนะบางทีเราก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างนะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นสิ่งที่ช่วยกากับทําให้เราเนี่ยไม่ทาไปตามอำนาจของความเคยชินหรือความคิดซึ่งตรงนี้ ก็ทำให้เราประสบกับความความสุขความทุกข์จิตใจก็ไม่เป็นปกติความเป็นปกตินั้ น, นก็เป็นเป็นเป็นปรากฏการณ์เป็นภาวะอันหนึ่งที่มันมีอยู่ภายในตัวเร า, าแต่ว่าบางทีเราไม่ค่อยได้สนใจเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่ไม่ได้เจริญสติไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นจึง มีลักษณะเหมือนกับคนที่มีจิตใจไม่ปกติคาว่าไม่ปกติในที่นี้ก็คือููแ บ, บแบบนะสุขสุทุกทุกนะวิ่งหาความสุขนะวิ่งหนีความทุกข์นะอันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยนะซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจว่าพวกเราหลายคนก็คงได้เคยประสบพบเห็นกันอยู่นะแม้แต่ว่าตัวในวัดก็ตามนะหรืออยู่ที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น พะเป็นชีเป็นโยมนะก็คงได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกตัวเนี่ย่านะจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะให้เราไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะให้เราได้เห็นทุก์จริงๆนะเป็นทุกที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ได้เห็นความดับไปของทุกนั้นเพราะทุกก็ไม่จีรังยั่งยืนนะมันก็แปรเปลี่ยนไปนะ มันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะใบบังคับบัญชาได้การที่บอกว่าให้เราปล่อยวางการที่บอกให้เราวางใจใาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวที่เข้าไปเรียนรู้ความจริงใาที่เกิดขึ้นภายในตัวเราใาเห็ น, นกลไกต่างๆของจิตในที่เขาทำงานแล้วเป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ฝึก ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เจริญสตินะเราก็จะไปจมนะอยู่ในความคิดไปจมอยู่กับไนอารมณ์ต่างๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นความทุกข์นะที่เกิดขึ้นนะที่เราไม่รู้เท่าทันเพราะนั้นความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เท่าทันนั่นเองนะความรู้สึกตัวเราไม่เท่าทันกับปรากฏการณ์เหล่านี้นะเราก็ลงเพลิเพือนไปนะหรือบางทีก็ เมีความไม่สบายต่างๆเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ก็ตามที่เรามีความรู้สึกตัวชัดมานะเราจเจนสิ่งต่างๆเรนนี้เป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเหมือนกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกอาจจะเป็นเดินฟ้าอากาศหรือเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีการแปลเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา นะเรามีเพียงแต่ว่าปรับตัวปรับใจยอมรับเรียนรู้นะแล้วก็ดูแล้วก็เห็นนะแล้วก็ใช้สติปัญญาในการทำในสิ่งที่ควรทำนะเล็กเลื่องในสิ่งที่ควรเหล็กเลี่ยงนะเหมือนย่งกับขณะนี้เนี่ยอากาศหนาวเย็นนะเราก็มีเสื้อผ้าใส่ให้อบอุ่นนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำในสิ่งที่ควรทำนะเพราะฉะนั้น การเรียนรู้นะด้วยความรู้สึกตัวด้วยการจเจริญสติเนี่ยมันใช้ได้ทั้งในส่วนตัวนะแล้วก็การเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะก็จะมีชีวิตที่พอเหมาะพอดีนะไม่ไม่สุขไม่ทุกข์นะเป็นปกตินะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะไม่เอานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนะมีปัญญาเข้ามาพร้อมกัน นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่เราได้อ่านเนี่ยนะก็จะมาสรุปลงตรงนี้แหละนะว่าการจะเรียนรู้เรื่องทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีนะก็อาศัยเครื่องมือนะคือความรู้สึกตัวนี้เองนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ ออชีวิตนะของเรานั้นเป็นปกติสุขความเป็นปกติสุขเนี่ยนะของกายของใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาตนะิเขาให้มาแล้วนะถือว่าเป็นรางวัลเป็นของขวัญที่เขาให้มานะโดยธรรมชาตนะิซึ่งถ้าเราไม่รูนะ้เราไม่เรียนรู้เหล่านี้เราไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะหลงนหะลงไปในความสุข หลงไปในความทุกข์นะที่เกิดขึ้นนะทั้งในในทางกายก็ดีทางใจก็ดีนะเราไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ความเป็นปกติได้ปัญชีวิตที่เป็นชีวิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้นะความรู้สึกตัวนะตรงนี้เนะี่ยก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารนะเป็นชีวิตที่เอ่อต้องรับทรมทุก์นะจะต้องตกจม อยู่ในความทุกข์อยู่ตลอดไปนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีชีวิตเกิดมานะเป็นมนุษย์นะแล้วก็ได้มีโอกาสนะมาเรียนรู้มาฝึกการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นเป็นโชคดีนะเป็นบุญของเรานะที่ได้มีโอกาสนะที่ได้มาทำและบุนี้โอกาสนี้จะมีมากขึ้นเมื่อเราได้ฝึกปฏิบัติแล้วเกผลนะ การที่ได้มาอยู่ที่นะี่มาอยู่เฉยๆไม่ได้ฝึกไม่ปฏิบัติอยู่สบายๆมันก็เป็นสุขในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยทนะําให้เกิดผลด้วยนะมันก็จะเป็นสุขที่ยิ่งขึ้นไปแต่แน่นอนนะการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะอุปสรรคสําคัญก็คื อ, อ, อความยากลําบากนะ ความที่เราจะต้องทวนกับความเคยชินเก่าๆนะอย่างเช่นคนฝึกใหม่ๆนะก็จะง่วงวเหงาหนอนนะฟุ้งซ่านนะหรือบางทีก็สงสัยอันะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนนะก็อย่าท้อแท้นะอย่าท้อถอยนะสิ่งนี้เนะี่ยเป็นเป็นเอ่อจะว่าเป็นอุปสรรคก็ได้หรืออาจจะเป็นยาชูกําลังก็ได้ถ้าเราสามารถที่จะผ่านพ้นแตนะ่ความรู้สึกเหล่านี้ได้ นะแล้วก็เมื่อเราได้ฝึกปฏิบัติไปบ่อยๆมันไม่ใช่มีอารมณ์ที่ทำให้เร า, เาท้อถอยเท่านั้นนะบางทีเราทำไปมันก็มีปิตินะมีความสุขซาบซ่านขึ้นมานะนั่นก็เป็นกำลังใจนะแต่อย่างไรก็ตามการฝึกปฏิบัติเนะี่ยเราจะไปจมอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะมีหน้าที่ที่จะผ่านรู้เท่าทันนะซึ่งจะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้น ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญสตนะิไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดคำนึงคำนวณแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการสัมผัสนะอาการต่างๆหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเรารู้เท่าทันะไม่ไปตกจมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนะจิตใจก็คืนสู่ความเป็นปกติถ้าจิตใจเราเป็นปกติได้บ่อยๆเรื่อยๆนะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสาคัญนะที่จะทาให้เรารู้ นะสิ่งที่เราเรียกว่าความดับทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นที่แสดงตัวให้เราได้เห็นนะ่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอยู่ในกายก็ดีอยู่ในใจก็ดีเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่แล้วที่เขาแสดงอยู่แล้วมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ว่าความรู้สึกตัวของเราคือตาในของเราตื่นขึ้นเต็มที่หรือยังเห็นได้ชัดเจนหรือยัง นี่เป็นสิ่งที่เราควรได้พิจารณาแล้วก็ใจตองนะชีวิตนี้ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดภาวะใดนะเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้เรื่องนี้นะให้ถึงที่สุดให้ได้นะซึ่งพุทธองค์นะก็ได้กล่าวยืนยันไว้แม้แต่กุูบาจารย์นะที่ได้รับการถ่ายทอดม า, าท่านก็ยืนยันว่าที่สุดทุกนั้นมี นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยนะที่มนุษย์ทุกคนนาะจะเรียนรู้ได้เข้าใจได้เห็นได้นะเพียงแต่ต้องอาศัยความเพียรพยายามนะอาศัยอาศัยความแยบคายนะที่จะอมองนะแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่ า, าพวกเราทุกคนนะสามารถจะทำได้ ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นโอกาสสาคัญนะแม้ว่าจะออกพรรษาไปแล้วก็ตามนะภาร ก, กิจนะสิ่งที่เราจะต้องทําถ้ายังไม่ถึงที่สุดนะเราก็ยังจะต้องทํากันต่อไปจะต้องเรียนรู้กันต่อไปถือว่าเป็นภาร ก, กิจที่ในชีวิตนี้เราจะต้องรีบฉวยนะไม่ปล่อยให้เป็นโอกาสที่เสียไปเพราะการเกิดเ ป, เป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ง่าย มาเกิดมาแล้วต้องใช้คุ้มค่านะคําว่าคุ้มค่าในที่นี้ก็คือมาเรียนรู้เรื่องทุกและความดับทุกข์ให้มันถึงที่สุดให้ได้นะแล้วก็พยายามนะไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดภาวะใดก็ตามนะเป็นสิ่งสําคัญนะแล้วก็ธรรมชาตินะเขาก็จะมอบรางวัลนะก็คือความเป็นปกตินะของใจนะให้กับผู้ที่ เ, เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะก็อยากจะฝากนะทุกท่านนะที่ได้มาอยู่วัดป่าสุกโตนะไม่ว่าจะวามาใหม่ก็ตามได้ออยู่มานานก็ตามจะออกไปนะหรือจะยังอยู่นะก็คงจะได้ตระหนักนะถึงสิ่งเหล่านี้นะภารกิจอันนีนะ้ที่เรายัางจะต้อง เ, อเรียนรู้ฝึกปฏิบัติกันเรื่อยไป นะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์อรักษคิดว่าในวันนี้ก็เป็นการพูดนะครั้งสุดท้ายในพรรษานะจริงๆออกพรรษามาแล้วออกมา3วันแล้วที่นี้มันยังติดค้างเกี่ยวพันกันอยู่แล้ก็หวังว่าการพูดในวันนีนะ้คงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะแล้วก็หวังว่าจะเป็นส่วนสําคัญนะในการสร้างเสริม กำลังใจนะในการที่เราจะมาเรียนรู้นะเรื่องของกายของใจนะเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ชัดเจนนะแจ่มแจ้งขึ้นมาภายในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทอญเจริญพร